ระดูหนังดูละครผิดศีลหรือไม่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดูอะไรมันก็ดูได้ความเข้าใจของคนทั่วไปคำว่าธรรมะที่จะนำมาพิจารณานี่มีแต่เรื่องของกายกับใจเรื่องของกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจความจริงธรรมะอันเป็นอารมณ์ของจิตนี่ มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าจิตใจถึงธรรมะแล้วดูอะไรมันก็ไม่เสียหายสมเด็จพระมหาธีรวงในวงเล็บติดโสอ้วนถามหลวงปู่มั่นว่าท่านมั่นไปอยู่แต่ป่าไปฟังเทศที่ไหนอาจารย์มั่นท่านก็ตอบว่าถ้าจิตใจมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรม ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ตั้งแต่อนูปรามณูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตมันคือธรรมะประเภทสภาวธรรมธรรมะประเภทสภาวธรรมนี่แหละเป็นอารมณ์จิตถ้าหากว่าผู้ที่ขาสติสติไม่เข้มแข็งตาเห็นรูปก็หลงยินดียินร้ายหูได้ยินเสียงก็หลงยินดียินร้ายจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัส ใจนึกคิดก็หลงยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจความจริงมันก็แสดงปรากฏให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราดูสิ่งนี้เราทุกข์หรือเราสุขเราเห็นสิ่งนี้เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าเรารู้จักปล่อยวางอันนี้คือความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจสาหรับผูมีสติ เพราะฉะนั้นการดูหนังดูละครละครที่เป็นคติธรรมเตือนใจเขาจึงสรุปลงว่าดูละครให้ย้อนดูตัวชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่ในโลกนี้เป็นตัวละครแต่ละตัวแต่ละตัวต่างคนต่างแสดงออกตามนิสัยและความสามารถของตัวเองนัจจกขีตวาหมายถึงการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรี ถ้าหากว่าเป็นเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีพระไปดูก็ล่อแหลมต่ออันตรายแต่นิยายอันใดซึ่งเป็นบทละครเป็นคติเตือนใจเช่นละครเรื่องเวสันดรชาดกอันนี้เป็นนิยายอิงธรรมะเรื่องรามเกียรติก็เป็นนิยายอิงธรรมะซึ่งเป็นนิยายเก่าแก่ที่สุดของจีนก็สามกบเป็นนิยายอิงธรรมะเหมือนกันมีทั้งการเมืองการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรม พร้อมหมดในเรื่องนี้อย่างเวสันดรชาดกเนี่ยก็กเกษตรกรรมอุตสาหากรรมรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยศิลธรรมมีพร้อมหมดถ้าเรื่องอย่างเนี้ยพระดูก็ไม่เสียหายก็เหมือนเหมือนกับเราฟังเทศเช่นอย่างพระเทศเวสันดรชาดกนางมัตสีสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนแสดงบทละครเหมือนกันมีอยู่ละหลายคนปฏิบัติสมาธิแล้วนั่งดูโทรทัศน์ พอตัวพระตัวนางออกมาตอนแรกก็รู้สึกว่าสวยงามดีพอดูไปดูมาจิตเป็นสมาธิเห็นเป็นโครงกระดูกเต้นไล่หยอกกันอยู่แบบนั้นก็เป็นได้